อ, อนุญาตท่านอาจารย์กับหลวพ่อจะไม่เยี่ยมครูบาอาจารย์เฉยๆนะไม่เยี่ยมหลวงพ่อกับหลวงพ่อคำเขียนสององค์ไม่ได้มาเทศหรอกเทศไม่ได้ผิดธรรมเนียมครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่กว่าอยู่ต้องนิมนต์ท่านเทศเนี่ยท่านอนุญาตนะถ้าครูบาอาจารย์อนุญาตให้เราเทศนะก็เทศได้แต่เทศเราต้องทนะํานาะให้หลวงพ่อเทศเปล่าๆบาปนะ รอให้พลระเหนื่อยฟรีๆแล้วขี้เกียจนะขี้เกียจนะความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนมีปัญญาถึงจะมองเห็นคนไม่มีปัญญาก็มีแต่ความสุขนะหลงละเริงไปเรื่อยๆหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีไม่นานก็ตายใช้ชีวิตก็ไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวไปน่าเสียดายที่สุดเลยพวกเรามีบุญนะเราอุตส่นะาห์มาวัด มาหาครูบาอาจารย์มาอะไรเนี่ยทได้รักษาศีลได้ฟังธรรมก็ต้องมาปฏิบัติธรรมะที่เราจะปฏิบัตินั้นก็มีทานมีศีลมีภาวนานะทาทานก็ไม่ใช่ต้องเสียเงินเสียทองนะอย่างเราโกรธคนคนเขาด่าเราเราเอาใจให้เขาอะไรเนี่ยก็เป็นทานอย่างหนึง่งคนเขาไม่มีความรูนะ้เราให้ความรู้เขาก็เป็นทานอย่างหนึง่งนะ ทานก็มีหลายอย่างไม่ใช่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรให้ความรู้เขาให้ความเข้าใจนะได้บุญแรงต้องรักษาศีลพวกเรามาอยู่วัดอุตส่าห์แต่งขาวนะแล้วมีสตินะแต่งชุดขาวๆขาดสติเดี๋ยวก็เลอะแล้วนะงั้นท่านให้แต่งขาวๆไว้ก็ดีจะ ก, กระดูกกระดิกจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะรู้สึกครู้สึกไว้เรืๆนะ เวลาโมโหใครขึ้นมารู้ทันที่ใจเรามาอยู่วัดมาหาความสุขหาความสงบหาความดีให้ตัวเองฝึกจิตฝึกใจของเราทุกวันทุกวันนะภาวนาไปพุโทโธพุโทโธไปก็อย่างดีหายใจไปรู้สึกตัวไปนะมีสติคอยรู้ทันใจตัวเองไม่เสมอเสมอถ้าเรามีสติรู้ทันใจของเราได้บ่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทัน ถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราได้นะกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้ถ้ากิเลสมันครอบงําจิตใจของเราไม่ได้เราจะไม่ผิดศีลหรอกคนมันทําผิดศีลนาะเพราะมันถู ก, กิเลสหลอกเขาไปอย่างมันเต่ข้าเข้าไปตีเขานะเพราะโทสะมันครอบงําใจไปหลอกลวงเขาอะไรเนี้ยหรือไปเป็นชู้เขาอะไรเนี้ยนะเพราะว่าโลภะมันครอบงําใจนั้นมันมาจากกิเลสเท่านั้นเลยนะทําให้เราผิดศีลผิดธรรม ให้เรารักษาศีลให้มั่นคงแข็งแรงนะทุกคนต้องมีศีลถ้าเราไม่มีศีล น, นะเราเสียความเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปอบายนี่เรามีศีลแล้วเท่านั้นไม่พอนะเราต้องมาฝึกใจใเราให้สงบบ้างใจของเราร่อนเร่หนีเที่ยวทั้งวันทั้งคืนไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองการฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองนี่แหละเรียกว่าฝึกให้มีความสงบมีความตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมานะ เราก็เอาสตินี่แหละมารู้ทันใจเป็นวิธีภาวนาที่ง่ายๆนะถ้าใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันรู้อย่างนี้บ่อยๆนะพอใจไหลไปแวบมันจะรู้สึกขึ้นมาใจมันจะตื่นมันจะตั้งมัน่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้สมาธิเบื้องต้นสมาธิที่เรามีสติรู้ที่เแวบทีลเแวบนี่ยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะสมาธิชัว่วขณะเท่านั้นนะแต่ได้สมาธิชั่วขณะก็ดีกว่าไม่มีเลย คนไหนมีบุญมีวาสนานะภาวนาทุกวันรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะพุโทโธไปภาวนาไปจิตใจไม่หนีไปที่อื่นจิตใจสงบอยู่กับลมหายใจเลยจะได้สมาธิที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นไปได้อุปจารสมาธิได้อัปปนาสมาธิจิตใจจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจะเป็นผู้รู้นะใไม่ใช่ผู้หลงคิดใจที่ไม่มีสมาธิมันจะเป็นใจผู้หลงคิด ใจที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะที่มีความสุขอยู่ในตัวเองถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเรานะให้อยู่ในอารมณ์เดียวฝึกไปเรื่อยจะอยู่กับพุทโธก็อยู่นะอยู่กับลมหายใจก็อยู่นะถ้าทําได้ก็ดีได้ความสุขความสงบที่ประณีตถ้าทําไม่ได้ก็อย่าเสียใจ ให้อาศัยสติคอยรู้ทันจิตเป็นขณะขณะไปก็ได้สมาธิเหมือนกันจะเป็นสมาธิแค่คณิกะสมาธิโชคขณะดีกว่าไม่มีเลยเปลี่ยนคนยากคนจนนะยังมีเงินร้อยบาท200้บาทสิบาทอนะไรก็ดีกว่าไม่มีเลยนะไม่มีเงินล้านเงนินแสนอะไรอย่างคนอื่นก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้มีชานมากมายเหมือนคนอื่นก็ไม่ต้องเสียใจนะได้ความสงบเป็นขณะขณะเนี่ยพอที่จะไปมรรคผลนิพพานใด นะนี่พอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวไม่ใจลอยล่องลอยหนีไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยให้มาคอยเจริญปัญญาต่อไหมมีศีลมีสมาธิแล้วก็มามีปัญญาศีลเนี่ยมีสติรู้ทันกิเลสนะกิเลสเข้างําจิตไม่ได้จินก็มีศีลขึ้นมานะมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปจิตก็สงบเพื่อมาได้สมาธิหลังจากนั้นพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต้องเดินปัญญา ถ้าเราไม่เจริญปัญญาเนี่ยเราไม่ได้คุณค่าของศาสนาพุทธหรอกเพราะการรักษาศีลการทาสมาธิเนี่ยถึงไม่มีพระพุทธเจ้านะนักปราสทั้งหลายเขาก็สอนกันได้ต้องมาเจริญปัญญาให้ได้มาทำมิปัสนานะถึงจะเป็นชาวพุทธแท้ๆได้รับประโยชน์จากพระศาสนาอย่างแท้จริงการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจนะ เมื่อเราคอยมีสติรู้อยู่ที่กายมีสติรู้อยู่ที่ใจรู้ประหยัดสบายๆรู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่มีสมาธิหนุนหลังนั่นใจเราต้องตั้งมั่นนะสงบตั้งมั่นแล้วก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปเรื่อยมันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นนะ ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราเหมือนจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนอื่นยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราละเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราจะเห็นแค่เป็นวัตถุเท่านั้นเป็นก้อนธาตุนะมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกแค่วัตถุเท่านั้นเองนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มาดูจิตดูใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเฝ้ารู้ไปด้วยนะพวกเราเป็นส่วนใหญ่คนรุ่นนี้เป็นพวกคิดมากจิตคิดทั้งวันนะคิดไปแล้วเดี๋ยวก็สุขคิดไปแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมมีไหมคิดแล้วทุกข์บางทีเขาด่าเรามาสิปีแล้วนะมาคิดใหม่ทุกข์ใหม่นะเออเป็นไหมโกรธใหม่ก็ได้เรื่องตั้งนานแล้วพอคิดซ้ำนั้นก็เป็นอีกนี่ใจของเรานี่ชอบหลงหลลงไปนะให้เราคอยมีสติรู้ทันนะรู้ทันใจ ใจหลงไปคิดเรื่องนี้รู้ทันนะคิดแล้วเกิดความสุขก็รู้ทันว่ามีความสุขแล้วความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็รู้ทันกนะุศลอกุศลโลกโกรธลงอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันรู้เฉยๆในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยไม่เหมือนขั้นการทำสมาธิขั้นสมาธิเนี่ยนะจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบแต่ในขั้นปัญญาเนี่ยจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดี จิตไม่สุขรู้ว่าไม่สุขจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบรู้ลูกเดียวเลยรู้อย่างที่มันเป็นนะเ่อจะเห็นเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงอะไรอชั่วคราวหมดเลยนี่หัดดูลงไปนะทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวนี่เราคือการเดินปัญญานะดูลงไปค้นคว้าพิจารณาลงไปนะถ้าจิตมันไม่ยอมดูของมันเองก็ต้องช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาก่อนในเบื้องต้น อย่างพิจารณาร่างกายนะเป็นปฏิกูลเป็นนาสุภาเป็นธาตุเป็นขันใช่วยมันคิดก่อนนะแต่ถ้าจิตมันมีปัญญามันมีกําลังพอนะมันจะเห็นเองร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที่สุขจิตใจที่ทุกข์นะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราจิตเป็นธรรมชาติรู้นะจิตรู้ว่ามีความสุขจิตรู้ว่ามีความทุกข์ตัวที่รู้นี่ก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะฝึกไปเรื่อยนะเราจะจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอก ภนะาวนาจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรามีตัวตนถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะก็ขันห้ามันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปแล้นะวเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปนะสติปัญญาแก่รอบขึ้นไปเราจะเห็นนะขันห้ามีแต่ทุกข์ล้วนๆอย่างพวกเราตอนนี้ปัญญาเราไม่พอศีนสมาธิปัญญาต้องฝึกให้แก่รอบนะวันหนึ่งถึงจะพอถ้าพอจริงๆมันจะเห็ น, นกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เห็นหรอก พวกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างใช่ไหมเห็นไหมว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเราไม่รู้จริงหรอกพระพุทธเจ้าบอกขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะแล้วเรายังไม่ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนหรอกเพราะงั้นเรายังไม่พ้นทุกข์หรอกนะังั้นต้องรู้ลงแฝในกายรู้ลงในใจบ่อยๆอย่าใจลอยนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะ วันหนึ่งเราถึงจะเห็นได้ว่าโอ้กายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะอย่างนั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์นะง่วงก็ทุกข์นะเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทุกข์นั่งอยู่เฉยๆก็คันมีไม่นั่งแล้วไม่คันคันก็ทุกข์นะนี่พวกเราพอทุกข์ขึ้นมานะเราเปลี่ยนอิริยาบถเราขยับปั๊บเลยเราไม่ทันจะรู้สึกเลยว่าทุกข์อย่างคันขึ้นมารีบเกาไปยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าคันนะเกาไปก่อนแล้วเราไม่เห็นทุกข มันเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับซ้ายขยับขวานะเรายังไม่ทันรู้สึกหรือว่าเมื่อยนะยังไม่ทันรู้เลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ขยับหนีความทุกข์ไปซะก่อนแล้วนั่นก่อนที่จะขยับตัวนะรู้สึกตัวซะก่อนเราจะเห็นมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะคอยรู้ทันบ่อยๆจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่กาข้ามโลกได้แล้วนะถ้ายัางเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเราไปไหนไม่รอดหรอกก็ฝึกเอาน่าขั้นแรกเลยรักษาศีลนะ อุตสาห์แต่งขาวๆแล้วอย่าปากร้ายนะปากร้ายนะี่ยมันมาจากใจร้าก่อนเนืแล้วมันล้นออกมาเนะแล้วเรามีศีลไว้ก่อนนะต่อไปเราก็มาฝึกใจให้สงบนะกายสงบมาจารสงบแนละ้วด้วยศีลมาฝึกให้ใจสงบด้วยสมาธินะแล้วก็ขั้นสุดท้ายฝึกให้จิตเกิดปัญญาด้วยวิปัสสนานะงั้นกิเลสมี3ขั้นนะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือโรคหลอดหลงของหยาบที่สุดสู้ด้วยศีล น, นะ กิเลสอย่างกลางชื่อนิบรณสู้ด้วยสมาธิใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ฟุ้งไปจิตมีสมาธินิวรณ์ครอบงำไม่ได้กิเลสที่ละเอียดที่สุดนะคือความเห็นผิดคืออวิชชาความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิแต่เราสู้ด้วยความเห็นถูกรู้ลงในกายรู้ลงในใจดูว่าจริงๆเป็นยังไงจริงจริงมีแต่ทุกข์นะดูไปเอาเท่านี้เนาะเทแค่นี้ก็ถึงนิพพานแล้วละเหลือจะทําเอา ก่อนจะถึงนิพพานสีนห้าก่อนเนอะเนี่ยวเราว่าต้องไปแล้วล่ะ